ในสมัยราชวงศ์โจท่านโจโกงซึ่งเป็นใจเสี่ยงของพระเจ้าเฉินหวางท่านได้แต่งหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าโจหลี่อันเป็นต้นตำรับที่ราชวงศ์ต่อต่อมาถือเป็นแบบฉบับว่าด้วยการบริหารประเทศหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการกฎหมายและจารีตประเพณี พิธีกรรมต่างๆและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมามีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านกำหนดไว้ว่าเดือนแรกของปีเป็นเวลาที่พืชพันธุ์ธัญญาหารมีโอกาสเจริญเติบโตสรพสัพตว์ก็ง่ายแก่การตั้งคันฉะนั้นการเส้นสวงบูชาในเดือนนี้ห้ามฆ่าสัตว์ตัวเมียเพราะเกรงว่ากำลังตั้งคันอยู่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 เมื่อกระแสจิตได้ถูกฝึกฝนให้เจริญด้วยเมตตาธรรมและกรุณาธรรมแล้วไซก็จะไม่นึกอยากฆ่าสัตว์อีกเลยสัตว์ทั้งมวลล้วนมีจิตใจเช่นเราเหมือนกันการนำตัวไหมลงไปต้มในน้ำร้อนๆเพื่อทำเครื่องนุ่งหม่มที่นิยมกันว่าสวยงามมีค่ามากที่แท้เป็นบาปกรรมโดยไม่รู้ตัวความจริงผ้าไหมไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์เราน่าจะใช้ผ้าฝ้าย ที่ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์จะไม่ดีกว่าหรือแม้กระทั่งการถังดินเพื่อค่านอนก็ล้วนแต่เป็นบาปกรรมทั้งสิ้นดูดูมนุษย์เกือบทั้งหมดล้วนแต่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพื่อความมีชีวิตของตนเองต้องทำปาณาติบาตอยู่ตลอดเวลาที่มีชีวิตแม้กระทั่งมือที่ตบยุงบีมดเท้าเหยียบลงไปบนสัตว์โดยไม่เจตนาก็ไม่รู้ว่า วันหนึ่งึงได้ทำไปกี่ครั้งลูกจงระวังให้ดีป้องกันให้ได้นอกจากจะสุดวิสัยจริงๆโครงโบราณมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเป็นที่ประทับใจพ่อจนบัดนี้ท่านว่าไว้ว่าเพราะรักหนูจึงเก็บข้าวไว้ให้กินเพราะสงสารแมลงจึงไม่จุดตะเกียง